ปุญญานิปรโลกัตมิงวิทารอัตตาหิอัตนโนนาโหโกหินาทโหโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทั้งนาติทุนภันตีตีนาโอกาสบัติณีอาตมาภาพจะสแสดงพระสธรรมเทศนา ในความเป็นมาของพระ อ, อนรุธเพื่อเครื่องโสสง์องค์อธาบรมีแกวันดาทัานพุทธศาสนิกชนนันหลอยที่มาเป็นเพ็งกุศลในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่ส4บสกรกฎาคมสองพันห้าสาิบห้าเป็นวันนังคายขึ้นสิบห้าข้ามเป็นแดเราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษา วางวัดกะเข้าพรรษาวันนี้วางวัดก็เข้าพรษานนาารษาวันพนุ่งนี้แต่ตำแหร่งวัดท่าทรงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านผู้โดยสัตย์นไหลทำบุญในสงสารประการเลยกันคือหนึ่งถวายเทียนเข้าพรรษาสองถวายผ้าไตรหรือผ้าวัชกษัตริยแก่ดาพระสงฆ์ทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ในเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกคือถวายเทีนเข้าศ า, าจะเทศวันนี้สักอัิสงส์ถวายผ้าตรายจะเทศวันพุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบเป็นนบ่าวในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในประเทตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระจิตตมานพรมัสศัสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประรอบพระอรุณ ความจริงพระ อ, อนุรุตเป็นพระ อ, อนุชาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า อ, อนุชานะไม่ใช่อาชาณนะ อ, อนุชาเนี่ยก็แปลว่าวน้องอาชาเมา้าเป็นน้องพระพุทธเจ้าเพว่าเป็นลูกของอาในตรกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งเป พ, พี่ชายสองพระ อ, อนุรุต ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าสมรู้อภิเศษสมาัิโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามก็ปรารภ ก, กับน้องชายเวลานั้นท้าวมห า, ามเป็นมหากษัตริย์ว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชันหมดแล้วตระกูลของเรายัางไม่มีใครบวชส้่งนั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวชพระนรุชก็บอกว่าการเป็นพระราชาทำยังไง เวลานั้นพระราชาต้องทํำนาเหมือนกันก็ต้องเาาลี้ยงทหารเขาก็บอกว่าตอนต้นปีก็ไถานานแล้วก็หวานพอปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้ า, ขาช้างต้นปีไถานานแล้วก็หวานปลายปีข้าวข้า ว, าว้างแบบนี้เรื่อยไปตลอดชีวิตพระอนุรุธถามว่าเองการทํานา น, นีไม่มีการเลิกหรือพระอาหนานบอกเลิกไม่ได้พระนุรุธก็บอกว่าทายาที่อยู่เถอะฉันจะบวชเอง ก็ไปชวนทว่นอีสี่คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่าอนุรุ์เจริญพระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันข้าเป็นสาววันนี้เริ่รู้อารหาัตผลพร้อมไปด้วยทิพกคุญาณเป็นพระวิชาสามตอนมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งว่านุรุ์เป็นผู้เลิศในทิพกคุญานหมายความว่า พระอรหันต์เนี่ยมีสมีสี่ชั้นตักิเลสได้เหมือนกันในความสามารถไม่เท่ากันคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกตัดกิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพไม่สามารถเห็นพีนโลกสวรรค์ได้สองเตวิโชยานี้สามารถมีจิตเป็นทิพย์จะเห็นสวรรค์ได้จันทกได้เปรตได้สิ่งกายได้เห็นอะไรก็ได้ แล้วก็สามารถเลืกชาติได้สี่ะสามชนะเพียงเดียวสำหรับหมดนี้หเหาะเหินอากาศได้แปลงได้นิวิตไดแล้วก็สี่ไปสัญิาประตูไปสัญญาญาดีความฉลาดมากเังนั้นสำหรับพระอนุรุตเป็นพระหังขั้นวิชาสามแต่ความจริงพระหังขั้นวิชาสามนี่ความจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างต่อนกว่าเต ว, วิโช อริย ญ, ญาอริย ญ, ญาณหกจะอิจระพิโยอริยญาณหกแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านทิฏกุ ญ, ญาณจะพิสูจน์ได้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพูทมีพระพากเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานอ น, นุษย์เข้าฌานตามถ้าอหารหันต์ั้งสองแสนองค์ไม่สามารถจะเข้าฌานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระพุทธเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหน แต่สําหลักมนุษย์ติดตามได้ถ้านนย่องกับเป็นธกิจถามพี่น้องพี่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนปฏิพันธ์ได้ยังในขณะที่ท่านยังเข้าปฏิพันธ์ในเข้าสมาธิเต็มที่การเข้าสมาธิเต็มที่เนี่ยบรรดาท่านพุะตบริษัทบางทีเขานึก็่าหูใจหยุดเต้นแต่ความจรงมันไม่หยุดมันเต้นเ บ, นเบาลมหายใจน้อยบางคนคิดว่าไม่มีลมหายใจ ก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ชานหนึ่งบ้างชานสองบ้างชันสาบ้างชา้นสีบ้างในรูปประชานบ้างก็ลเลื่อนมาจนในในชา้นสี่ของรูปประชานนิพานตอนนั้นไม่คือ เ, เห็นว่าพระมนุษย์ที่ว่าเป็นผู้เลิศในทิ่ปุญญาเลิศจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระวนุษย์องค์ผู้เดชประจอมใจประศาสดากล่าวว่าเขาทุก ป, ประวัตนะิตอนนี้ยังไม่ ไ, มได้ผ่าน ท่านบอกว่าพราะอนุรุตเนี่ในสมัยช่านก่อนชอบทําบุญด้วยแสงไฟก็อย่างที่บรรดาญาโยมพรธตัวสัตย์นไหลบูชาเทียนเข้าวอันสานี่แหละบูชาเทียนเข้าวอันสาบ้างช่วยพระนกกระแสไฟฟ้าบ้างช่วยน้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระอนุรุตชอบทําอย่างนี้ ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดมาแล้หลายหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างฉะนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอานิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงแสงแสงไฟจึงได้ทิพยานเป็นเล่ยเกี่ยรกหลานทุกอง์นี่เป็นบทตอนท้ายนะประวัติพระนรุตมีหลายตอน จะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดถึงพระอนุรุตก็ขอย้อนต้นไปอีกนิดหนึ่ยก่อนชาตินี้พระอนุรุตเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจนเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หาบุดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้าง ทางบ้านเขากินข้าวเสร็จทั้งลกูกทั้งเมียเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระประเจาว์พธเจ้าจะมาบินดาบาถ้ามายิงคอยก่อนแล้วพระปฏิเจาว์พระเจ้านจะมาหลังจากที่ลูกเมียกินข้าวแล้วก็เหลือข้าวส่วนเดียวของข้าวพระอนรุตทั้งาเป็นสามีอนุรุตเห็นพระปฏิเยาว์พระเจ้าเข้าก็คิดในใจ ว่าข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดี๋ยวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มากจึงถามพันยาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังพุกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้วทากทั้งะถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็เป็นหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมด พัญยาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากหยิ่มเดียวท่านก็ไปถวายพระบัจเจ้าพเจ้าหมดใส่บาทหมดแต่ถ้าว่าพระบัจเจ้าพเจ้านี่เป็นพระเป็นพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสมสามาทมพุทธเจ้าตามธรรมดาพระมารับบาทแล้วต้องกลับสถานที่นี่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้น ถ้านยางไม่กลับเมื่อรับบาดแล้วท่านก็นั่งคนต้นไม้ใกล้ๆบ้านนั่งกำฉันข้าวอยู่เวลานั้นปรากฏวาา่าเทวดารักษาทบีกระชิดรักษาฉัดก็มหาเศรษฐีเวลานั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งเศรษฐีมีฉัดสามชั้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชัดๆ ยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนุรุธทรถ้าหาว่าดีก็คิดในใจว่าก็ไอคนเกี่ยวญาช้างมันจะมีสตังสกีสตังทำบุญแต่เราเนี่ยทำบุญมากกว่านี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาหาว่าเทวดาอากติยังหันไปต่อว่าเทวดาว่าไอคนเกี่ยวญาช้างมันทำบุญอะไรมากน้อยนัก ยังได้โมโนาให้แกมันฉันทำบุญมากมายทำไมจึงไม่มีโอกาสท่านไปโมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทำมากจริงแหลแต่ทว่าทุนของท่านมากทำเท่าไรมันก็ไม่หมดทำเท่าไรมันก็ไม่หิวทำเท่าไรก็ไม่อดตายแต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าเช้าเนะี่ยเขามีข้าวไปอิ่มเดียวเขานําข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระ พัญญาต้องหงูใหม่กว่าจะกินก็หิวชื่อว่าค้าบุญตัดชีวิตเ จ, าจ้าจิโมทนาก็าะแม่ใ น, นสงศ์ใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวญ้าติช่างมันมากเราก็ต้องขอบุญมันให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายาพระเจ้าพระเจ้าฉันขอฉันเถอะ อ น, นุรก็บอกว่าเรื่องนายก็นายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทำํำในความเหนื่อยยากเึ่งความหิวเวลานี้ยังไม่ยินข้าเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญจเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหม พระนุ่งก็เว่าปเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนถ้าก็กลับไปหาพระปฏิเอกพระพุทธเจ้าเขงกำลังนั่งฉันข้าวอยู่ไอถึงกลาบแล้วก็แถวบ่าวคุณเจ้าขรับเวลานี้เจ้านายก็ผต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้แต่เขาขอแบ่งจะให้ได้ไหม ถ้าพระเจ้พุทเจ้ า, าถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีครบแล้วมีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพลิงคือจุดไฟมีแสงสว่างหนึ่งอันที่ชาวบ้านต่างร้อยต่างพันต่างหมือนต่างแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเราต่างคนต่างมาต่อจากรครบของโยมทุกคนก็มีแ ส, ส ง, ส ว, งสว่างสว่างสวยมาก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 แล้วเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์เมตตาชั้นหนึ่งท่านเสม์ในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสื่อมก็เป็นนพราพระอนุรุก็ไปกับอาจานั้นบอกให้ได้ก็เป็นอนุภาให้บุญเจ้านายก็โมทนาหลังจากนั้นมาพระนุษก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวย่าช้างขายบุญ แล้ไม่ได้ขายแต่แบ่งให้เพืาอเขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วเล้วเกิดชาติหลังที่สุดนี่ชาตินี้นะเมื่อเกิดเป็นลูกอาของพระเจา้ขาขณะที่ท่านเจริญกรรมาฐานอยู่วันนี้วันสิบห้าค่ำเนี่ยเป็น บ, นบรรลุอลหรหันต พร้อมด้วิชาสามในเมื่อท่านรรลุอรหันต์แล้วพร้อมได้วิชาสามก็นัางมาไข้คนในใจว่ามีบุคคลใดบ้างหนอที่เคยร่วมมือกับเราในดิาติเราจะสามารถช่วยใดไหมก็ทราบว่าเจ้านายคืออาวุีคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อนเป็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้อนอยู่เมืองโน้นเป็นรนัก เป็นลูกคนที่สองยังเด็กอยู่ท่านจะเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโนนสมัยนั้นยังไม่มีวัดวัดหายากพระเจ้าสาานญาตัวจำพรษาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามตุมนางก็ได้พวงไม้ก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจใน้พรษาเมื่อทราบแล้วท่านก็เหาะไปพอใกล้เขก็จะเห็นท่านกำลงเดิน เข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อนกันแนะนําบอกว่าวันนี้วันเข้าบรรษาครับทิ่มณจามบรรษาที่บ้านนี้ก็แล้วกันเลื่อนอีกหลังหนึ่งว่างในมณฑพักหลังนั้นพระนรุษก็ยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งพรรษาเสร็จออกพรรษาท่านกลากลับเพื่อนก็บอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้ไปกศิษฐ์ของท่านพรนรุก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการ ถ้าต้องการคนเล็กถ่าเป็นธรว่าเขาก็มอบดกงายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกรรมฐ า, านปรากฏว่าเก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชาสามแต่ลูกศิษย์ได้ปัญญาหกเก่งกว่าไม่น่าคบเด็กนะเออปิญญาหกเดี๋ยวนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่สามคนได้ปัญญาหก พรที่ตั้งเนี่ยสงจะอายเด็กนะเจ้บ้าน ไ, ไปสัมผัสเจ้บ้านเขาได้กันเยอะที่ตั้งนั่งที่สงนี่จะอายเด็กเด็กเล็กๆอยู่วหกได้พิญญาหกแล้วามาเที่ยวเลยเมือคืนวันซืนมันมาแต่ท้ามหราราชอนุญาตให้เขามาใกล้ตอนตีสามแล้วก็ซิกเป็นเบกเฮยงเงียบๆึงพ้อหลับ เคลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาบแกอ้าานทำไมเพราะพวกเองมันสนเกินไปการได้ปัญญาหอละปญญานี่ไม่ใช่อรหรันเป็นฌานโลกีจะไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ไม่สามารถจะกันนรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เย็บร้อยมุ่งตัดสังโยชน์ อาิทานี่เป็นเครื่องมือตัดสังยอดเป็นจะได้อาหารเร็วขึ้นนั่ น, นอาจจะสมควรดีก็เที่ยวแบบนี้แกเที่ยวซนไปน้นไปนี่ไปนี่ไปน้นเดี๋ยวแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงวัวบ้างชอบเล่นภาษาเด็กนะถ้าตอนต้นก็เล่นไปพักกัก่อนถ้าตอนหลังๆก็ต้องปราบกันก็ไปว่าเน้นได้ปัญญาหกเก่งกว่าอาจารย์ ถ้าเป็นอาถรรพ์เหมือนกันก็รารวความบ้าเพราะอาศัยบุญเล็กน้อยในญะาติโยมพุทธบริษัทอย่าลืมว่าพระอนุทน่านถวายไฟในพระศาสนาไม่ไฟเผววัดนะจะถวายมากไม่เอานะเพรเดียวเพราเดี๋ยวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผววัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้ลมนรกถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิพย์ ได้มีจิตเป็นทิพย์พิเรเวาทิพย์ภูนญญานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนุรนี่ถ้า อ, อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมากเป็นพระอินบ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติตุดท้ายเป็นพระอินหลายครั้งนี่เพราะบุญบารมีการถวายไฟในพุะศาสนาพระอินนะครับเป็นได้หลาคนนะ เ้าเป็นพร้อมกันในมหาท่านหล่ ห, หลายคนเวลาจนหมดก็ยังอ่ะนยังไปหมดทีสิบนาทีตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสัตถนหลายนอกจากถวายเทียนแล้วก็วจะถวยายผ้าวสิกาสาบ้างถวยายพระใจบ้างใ น, นประเทศวันตรงนี้พระยาวอยู่นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่น ทานทานนางสักโสทานนางพระพุทธเจ้าบอกทานให้เป็นบันไดให เ, เกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรนดาลญาติโยมพุทธวิสัท์ ถ, ถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอธิสงมากสังฆทานในวันนี้ญาติโยมถวายส อ, สองอย่างนะ่หนึ่งสังฆทานแห้งสองทั้งสงสังฆทานสด สังฆทานแห้งหมายความว่านำผ้าไตรนําของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งและสังฆทานหก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมตัณฑ์สี่องค์ขึ้นไปเขาจักเป็นสังฆทานและสังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์มากสี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาฏเจ้าของศาสนาคนที่ถวายสังฆทานในครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยศรัท ธ, ธา เอตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก่าตามงที่ก่อจะเข้านิพพานคำว่ายาิจนเข็ญใจจะไม่มีกระหนนั้นทั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคำว่าจนมีที่ไหนไม่เกิดที่นั่นจะเกิดในแดนนี้มีความร่ารวยนี่สป็หลับทานท่านนี้จะต่อมาญาติโยมนอกจกถวายทางก็รักษาศีล อาิสงส์ของสินก็มีสามอย่างคือสีเลนะสุกติงยันติการมีสินมีสุขทั้งชาติมีและชาตินาสีเลนะโพกัสมุทาคนที่มีสินชาตินี้ไม่ฝึกคือในทรัพย์สินชาตินามีรวยมากศีเลนิโพติงยันติคนที่มีสินสามารถเขาที่พานได้โดยง่ายนี่อา น, นิสงส์ของสินที่ญาติญาติโยมปฏิบัติ ให้เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองนั่นนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยมเขาว่าธรรมทานหมว่าให้ทำเป็นทานเขาว่าทําเป็นทานชนะทานตามพระวรียสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทําเป็นทานชนะทานทุกอย่าง หายความทานทุกอย่างที่คนไทยมาแล้วเมีอธิษฐาสู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมพระสงฆ์ก็ทําทุกอย่างแล้วสังฆทานแห้งก็ถวายแล้วภาวยศึกสาก็ถวายแล้วสิ่งก็รับแล้วธรรมทานสดพระฉันก็ทําแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศเป็นธรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญาทานธรรมดาไปเกิกดมีทรัพย์สินรวยมาก ศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทานมันทำเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นว่าการบำเพ็ญกุศลธรรมดาญาติจำนนหลายโดยทั่งหน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคือหนึ่งรวยสองร่างกายมีความสุขสามมีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดทด้อย่างจดูในตา่อน อะไรกายยังไม่หมดกายยังหมดก็ไม่หมดตอานนี้ก็ขอบนยอยุญาญาติญาติพูสุภิษัตถ์ถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้วก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราจะถวาได้ถวายเทียนข้าวบรรษัทหนึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่มีความสำคัญมาก เ, เหตุใ้เกิดที่ขุยาน แากการที่สองถวายพัตตาหารถวายสมทานไปเหนเกิดความร่ำรวยจากการที่สามนักศาสน์เกิดที่มีร่างกายเป็นศพ ก, การที่สี่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกว่าหนึ่งเราเคยถวายความวาสิกษาถวายทิ้งข้าวเป็นสาเ ค, เคยรักสมาทานศีล ถาวายสงังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นเชา้ชาเช้าหมดนึกหน่อยหนึ่งก่อนจะไปทานธุระว่าเราเคยถาวายเทียนเข้าบรรษาถวายผ้าเข้าพรรษาเราเคยามาทานฉินเคยถาวายสงังฆทานเคยจะฟังฟังเทศเป็นธรรมทานตีกันเทศเป็นธรรมทาน เพียงเท่านี้ดวงบรนไดา ย, ยาจกจากพระธรรสัจถ้าท่านทําทุกวันท่านจะหวนหวังสวรรค์ก็ได้พรมโลกก็ได้นิพพานก็ได้สุดแล้วแต่ความตั้งใจของท่านถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้ไหลายเรื่อนี้ทั้งหมดจงบันไดเขาจะตายจากความเมื่อเกิไว้เกิดมาสวรรค์ฉะนั้นชนี้จะได้ ท, ทันทีถ้าต้องการพรม เพ น, นึกว่าเขาบุญนี้ทั้งหมดจงใดเขา้าเจ้าเปพิธมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพานก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พเพรากอะรเราะบุญครบบุญที่ทำนี้ครบเขา้านิพพานได้เพื่อหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลง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 พาตื่นใหม่ๆอย่าเพิ่งริบไปไหนนึกนิดเดียวว่าเคยให้ทานเคยรียนาสนเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาถ้าก็ตามถึดตัดอีกนิดนึงตัดบันดาน้อยแต่น้อ ย, อ ย, อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตายเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะ ถ้าเรา ม, ามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าซับปีหลังบ้านให้ไปขนซับมันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัดตัดโลภะความโลภใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไม่ขึ้นอขาสู้เขาไม่ได้เขาไม่อยากอยู่ไปตีเขาตัดตัดอีกตัดความโกรธ ใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วโลภาวาลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสอาศัยจิตที่เรานึกถึงวัณยพันเป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทานสองเคยรักษาศีลสาเคยฟังเทศเา่อยๆอย่างนี้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้คิดว่าขอบุญบา ร, รมีนี้จนธรรดาจะเข้าพระเจ้าเข้าถึงนิพพาน ในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันแล้วตอนนั้นนั่ะเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภก็มันมีความโกรธก็ไมัน ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีมันว่างเพราะมีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพนี้อารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจถ้าว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาล เห็นเทวดาแล้วพรมเต็มจักรวาลถ้าเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนถ้าเห็นพรหมอยู่ข้างหน้าก็มีหวังว่าจะไปผมแน่นอนเห็นเทวดานางฟ้ายอยู่ข้างหน้าแสดงไปสวรรค์นแน่นอน <c oughs> อรตายยันดาลญาติโยมมุสลิมศัตร์ทั้งหลายอ่านแสดงว่าทำรมเทศสนาม า, มาข อ, อยุติการทำบรมีศสนาลงกองไว้แต่เพียงเท่านี้เสียงก็แย่คอแย่เต็มที ในที่สุดนันมาเทสนานี้จะมาภาพขอตั้งกัตถยาทิฏฐานอ้างคนภาษีรัตตไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทางสายมา ก, การจง <c oughs> จงโดยบรดานบรดาท่านพุทธวิษัท์ทุกท่านมีด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคมมลสมบูรณ์ผลผลได้โจรเจริญไปด้วยจากตวัวรัพิธพรใช้ทั้งสี่ประการมีอายุวรนนัทุกกาพะละและปฏิภาณ หากปัฒนาเสียงใดขอได้ฉะนั้นทรงของสองความปรารถาในทุติารอาจจะม า, า, ะามภาพระธรรมปัจจานามขอยุติปัจจันพเทศนาลงองไวแต่เพียงเท่ น, นที้ปีวังกรมมีทุติยารลัชณีท่านไมยางสาธุกาลังพัฒนาเตสาธุสาธุสาธุ